กรรมฐานนะฝึกพยายามมีสติไว้รู้ทันจิตตัวเองบ่อยๆถ้าเรามีสติรู้ทันจิตตัวเองได้นะอากูศลที่มีอยู่ก็ดับทันทีเลยในขณะที่มีสติรู้ทันจิตใจของเราอยู่นะอากูศลใหม่กิเลสทั้งหลายมันจะไม่เกิดขึ้นในขณะที่เรามีสติรู้ทันจิตใจตัวเองนะั้กูศลได้เกิดขึ้นแล้วแล้วกำลังเจริญอยู่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 เรากำลังจะดูพวกจําปลอมผู้ชายก็อิจฉาเป็นกลัวเป็นไหมผู้ชายลูกผู้ชายใจกล้าหาญถามว่ากลัวเป็นไหมเป็นระเบิดลงตูมวิ่งก่อนผู้หญิงอีกผู้หญิงมัวแต่กรีดกรีดวิ่งไม่ทันเลยผู้ชายหนีไปล้วนะนะผู้ชายก็กลัวเป็นอิจฉาก็เป็นนะอะไรอะไรก็เป็นนะจริงๆแล้วความรู้สึกทุกชนิดเนี่ยพวกเรารู้อยู่แล้ว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 เราละเลยที่จะรู้ทันว่าตอนนี้ความรู้สึกอะไรกำลังเกิดอยู่นะเพราะฉะนั้นอย่าละเลยเท่านั้นเองนะอย่าทอดทิ้งกายอย่าทอดทิ้งใจของเราเองร่างกายมีอยู่แล้วจิตใจมีอยู่แล้วสุกทุกทีชั่วมีอยู่แล้วทุกขณะทุกขณะนะเราละเลยเท่านั้นเองเพรั้นไม่ละเลยคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจนะอะไรเกิดขึ้นในกายเคยรู้เช่นหันซ้ายหันขวารู้นะยุงมากัดคันรู้ว่าคัน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 เนี่เท่าะอะไรเพราะอุดมคติต้องเป็นอย่างนั้นแต่ไม่ใช่ความจริงหรอกนะไม่มีหรอกรักเท่ากันน่ะนะเมียแต่หลอกๆนะยิ่งผู้ชายนะมีเมียแล้ว ม, มีอีกคนแล้วบอกรักเท่ากันโกหกสิ้นดีเลยนะเป็นไ ป, นปนไม่ได้หรอกถ้ามันรักจริงมันไม่ไปมีอีกเนาะยากไหม ย, ยากไหมที่จะรู้ความรู้สึกของตัวเองไม่ยากหรอกนะแต่ละเลยนะต่อไปนี้อย่าลเลยนะ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 โสดาสัตถาคานาคาจริงๆต้องดูทั้งกายทั้งใจไม่มีใครดูกายแค่ยังเดียวหรอกว่าใจมันเป็นคนดูแล้วเวลาที่ตัดเป็นพระโสดาบานันสังเกตไหมพระโสดาบันท่านจะเห็นขันห้าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่เห็นแต่กายไม่ใช่เรานะต้องเห็นทั้งขันห้าไม่ใช่เราเพราะฉะั้นบางคนเข้าใจผิดว่าเบื้องต้นดูแต่กายอยันเดียวเบื้องปลายดูแต่จิตอย่างเดียวไม่ใช่นะจะเป็นพระโสดาบันได้ต้องเห็นว่าขันห้าทั้งหมดเลยไม่ใช่เราเหรไม่มีเราในขันห้าไม่มีเรานอกขันห่านะ งั้แต่ว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยชำนาญอันไหนเอาตัวนั้นเป็นหลักเอาตัวนั้นเป็นหลักไม่ได้แปลว่าไม่รู้อันอื่นนะอย่างดูจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่ดูกายร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกนะรู้สึกได้เก่งด้วยดูจิตชํานี้ชํานาญร่างกายนอนหลับอยู่กลโนกครอกๆ อ, อยู่สติยังรู้เลยใครทําได้บ้างใครเคยเห็นตัวเองนอนกลโนเนะยอะแยะเลยเห็นไหมนี่ตัวอย่างมีพยานเยอะแยะเลยเพียบเลยนะใครเคยเห็นตัวเองคลิกซ้ายคลิกขวาตอนนอนนะ นี่เยอะกว่าตะกี้แสดงว่าสงวนตัวหน่อยบอกว่านอนกลนไม่เอาเดี๋ยวขายไม่ออกนะนะแต่พลิกซ้ายพิกขวาเนี่ยยังพอไหวเเวลาฝันแล้วเกิดกลัวขึ้นมาตกใจขึ้นมาใครเคยมีสติรู้ได้นะนี่เยอะแยะน่าค่อยฝึกไปนะจนสติอัตโนมัติยา ว, ว่าแต่ตื่นเลยหลับอยู่ยังรู้เลยนะโธ่ไม่ใช่ไม่ใช่ธรรมดานะบอก <c oughs> นะเราฝึกไปเถอะนะเราจะเห็นเลยโหอัอศจ ร, รย์จริง อัตโนมัติอย่างนี้แหละไม่ต้องกลัวละนะฝึกจนมันอัตโนมัติฝนะึกไปเรื่อยๆนะเพราะฉะนั้นอะไรเกิดขึ้นในกายเคยรู้อะไรเกิดขึ้นในใจเคยรู้รู้อย่างที่เขาเป็นอย่าเข้าไปแทรกแซงนะรู้ได้ตามความเป็นจริงความจริงก็คือไตรลักษณ์ดูอย่างนี้นะ<ม>พอไหวไหมเวอร์ชั่นนี้เวอร์ชั่นเมื่อเช้าจะ ย, ยากนิดนึงสําหรับพวกนักวิชาการนะอันนี้สําหรับพวกไม่สนใจวิชาการเพราะฉะนั้นหัวเราแหะแแหะเผลอเลอไปแล้วเห็นไหม นะเออรู <rium> ้ส <s> ึกนะรู้สึกนะเห็นไหมพอถูกเริ่มจับผิดเนี่ยเริ่มเกร็งแล้วรู้สึกไหมเดี๋ยวหลวงพ่อจะลองชี้บางคนดูเอาใครดีรู้สึกไหมจิตเราเปลี่ยนเนี่ยดูอย่างนี้นะดูอย่างเงี้ยความรู้สึกเราเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาแค่รู้นะแค่รู้เท่านั้นเองรู้ไปเรื่อยในที่สุดจะเห็นแต่ความไม่เที่ยง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 คำว่าตรวจการบ้านเนี่ยมันเป็นศัพท์ที่คนสมัยนี้คุ้นเคยพวกที่เรียนหนังสือมันมีนัยยะอย่างหนึ่งนะว่าต้องทําการบ้านนึกออกไหมต้องทําการบ้านสอบอารมณ์ไม่ต้องทําอะไรหรอกมันถึงก็สอบได้แล้วฟุ้งซ่านอะไรก็ว่าไปนะแต่คำว่าตรวจการบ้านส่งการบ้านเนี่ยต้องทําการบ้านเพราะงั้นเรามีข้อผูกพันกันนะหลวงพ่อสอนฟรีนะเหนืยแทบตายเลยแต่ละวันตอนให้ฟรีนะพวกเรามีหน้าที่ไปทํามานะ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 เพราะแต่และคนเราสอนไม่เหมือนกันนะบางคนดูกายบางคนดูจิตใช่ไหมบางคนทําสมาธิบางคนเดินปัญญาก่อนบางคนทําสมาธิและปัญญาควบกันนะอย่างสอนคุณนําเกิงนะทำสมาธิกับปัญญาควบกันไปเลยนะสานบางคนส่วนใหญ่ก็สอนใช้ปัญญานําสมาธินะเมื่อวานก็มีคนมาถามว่าทําไมวิธีสอนของหลวงพ่อแปลกไม่พานั่งสมาธิเดินจงกรมก่อนหลวงพ่อบอกเขาซื่อๆเลยว่าคนยุคนี้นะศรัทธาน้อย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 มีใจที่ตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะเพิ่มสมาธิเพิ่มปัญญาบางคนก็ให้ทําสมถะเพิ่มสมาธิบางคนยังทําสมถะไม่ได้มีสติรู้ทันจิตฟุ้งซ่านไปก็ได้สมาธิเหมือนกันสุดท้ายก็พระห้ามันก็เพิ่มขึ้นนะศรัทธาวิริยาสติสมาธิปัญญามันก็เกิดนั่นแหละโพชชงก็เกิดพระห้าก็เกิดอินทรีย์ห้าก็เกิดอะไรดีๆเกิดหมดเลยอริยสัจสี่ก็จะเกิดนะโพษชงเจ็ก็เกิดจะเกิดพร้อมกันแหละ ในขณะเดียวกันนะสามสิบกว่าอย่างรวมกันนะในขณะจิตเดียวเนะทศเสนื่อยเลยในฐานะที่ส่งท้ายวันนี้เขาจะปิดคอรนะ์สลว